สำหรับมหาสตรีประธานในสูตรในวันนี้เป็นเรื่องของอายตนะบัพคือว่าได้เรื่องอายตนะหวังว่าท่านหลายคงยังจำได้ <c oughs> ที่พุม่เคยนำประสูตรสูตรหนึ่งที่กล่าวถึงงูเหลือมแก่เมื่อฟังบทอายตนะที่พระท่านไปซ้อมในธรรม ในสมัยพระพุทธเจ้าศพฟังบทายัตนะแล้วมีความพอใจมากติดใจอยู่ในบทายตนะนั้นทั้งทั้งที่ไม่รู้ภาษาว่าภาษานั้นเขาว่ากันยังไงแต่พอใจในเสียงตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาตายจากโรเหลื่อมแก่ไปเกิดเป็นเทวดา ตายจากเทวดามาเกิดเป็นพรมมาเป็นอเจเรกได้ที่ไปจุบญาณแล้วต่อมาได้พบพบพบระอรหันตียงพระท่านแนะว่าว่ายังไรท า, ายะตนะหรือมยะตนะเสร็จแล้วหรือเท่า น, นี้ก็เกิดความละอายกับใจพระเทศายตนะให้ฟังโดยย่อท่านได้ไปโสดาบัน ต่อมาอีกเวลาครู่หนึ่งพระเทายตนะโดยพิสดารท่านได้สำเร็จอนหัแตผลเป็นอันวาพระธทมคำสั่งสอนเขาองค์สมเด็จประทะุษสกุลถ้าเรารู้จักใช้รู้จักประพฤติปฏิบัติแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็มีผลเป็นพระอาหารหันต์ได้เช่นบทอายตนะนี้ สำหมดสาหรับบทอธยษนะในมาหาสติีปธานสูตรผมก็จะขออรัษนานพระบาลีที่องค์สมเด็ดปจปัญินสีทรงตรัสไว้มากล่าวนำก่อนเสมอว่าท่านตรัสว้ยังไงแล้วก็มาธิมบายในการด้านด้า น, านปฏิบัติทันต่อไปทั้งนี้เพื่อจะยกตนออกซิว่าธรรมะที่ผมมาสอนเป็นของผมเป็นผู้สร้างขึ้น แต่ความรู้สึกของผมเป็นอย่างนี้เมื่อไร่ผมก็ต้องแย่งที่พระเทวทัตอยู่เมื่อ น, นั้นผมต้องสารพระเทวทัตเลยไม่ทำแร้วไม่เอาไม่ขอไปแย่งที่ท่านอยู่แต่ก็ว่าไม่ได้อาจจะเผลอลงเป็นอะไรคนใดจงอย่าคิดว่าผมเป็นผู้วิเศษผมมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าผมยังเดินอยู่เฉีดปากคุณนรกห่างไม่ถึงนิ้ว จนกว่าจะสิ้นลมปราณมาไรยแล้วก็ไม่ได้ไม่ลงนรกมาเรยนั่นแหละจึงจะมีความพอใจว่าเราคนนรกเวลานี้ยังมีความรู้สึกวันๆโดยเสมอว่าเมื่อเวลาตายลงไปอาจจะไหลลงบันรกมาไรยก็ได้ตอนนี้ไปเขาได้โปรโดฟังบทอายทนะตามพุทธพจน์ทบทพมบาลีจเจ้าบาบาลีมาว่านิดเดียว และขอแปลเป็นภาษาไทยตามสำนวนนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าปุณะจับรังพิกเวหิขุทัรรมเมสุธรรมานุปัสสีวิหารติเป็นตน้นบาลีเขาว่าเท่านี้เพิ่อแปลเป็นภานษาไทยตามสำนวนนบาลีฟังยากหน่อยจะขอนํามาก่าวให้ท่านท่นหลายได้รับฟัง ว่าดูก่อนพิสุทธิ์นั้นหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกพิกสุย่อมพิจรารณาหินธรรมในธรรมเพื่อยตนะภายในและยตนะภายนอกอย่างละหกเมื่อดูก่อนพิสุทธิ์นั้นหลายอย่างไรพิสุย่อมพิจรารณาหินธรรมในธรรมคืออยตนะภายในและอยตนะภายนอก เมื่อดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจนในพระธรรมวินัยนี้ย่อมรู้จักตาด้วยย่อมรู้จักรูปด้วยอันหนึ่งสัญญต์คือกิเลสเป็นเครื่องรอยรัดย่อมเกิดขึ้นอาศัยตาและรูปทั้งสองนั้ น, อ, นอันใด ย่อมรู้จักอันนั้นด้วยอันหนึ่งความที่สังโยชนยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยอันใดย่อมรู้จักเบรการนั้นด้วยฟังยากนิดนะแต่ก็ฟังไว้เพราะว่าเป็นตำนวนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนต้องว่ากันตามแบบอันหนึ่งความที่สังโยตีเกิดขึ้นแล้วเสียนได้ด้วยเบรการใด ย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งความที่สัญญาน์อันตนละสิแล้วย่อมไม่เกิดขึ้นไปได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยย่อมรู้จักหูด้วยย่อมรู้จักเสียงด้วยอันหนึ่งสัญญาน์ย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยหูและเสียงทั้งสองอย่างนั้นอันใดย่อมรู้จักอันนั้นด้วย อันหนึ่งสัญญาตความที э ่ส so ัญญาตอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งความละสัญญาตที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งความที่สัยชน์อันตนละเสียแล้วย่อมไม่เกิดขึ้นได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วย ย่อมรู้จักจมูกด้วยย่อมรู้จักกลิ่นด้วยอันหนึ่งสัญญตย่อมเกิดขึ้นอาศัยจมูกและกลิ่นเอาสองอันใดย่อมรู้จักอันนั้นด้วยอันหนึ่งสัญญาตอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้ประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งความละสัญญตที่เกิดขึ้นเสร็จแล้วด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วย อันหนึ่งความที่สัญญาอันตนละแล้วย่อมไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยย่อมรู้จักลินด้วยลนย่อมรู้จักรถ ด, ด้วยอันหนึ่งสัญญน์ย่อมเกิดขึ้นอาศัยลินและรถันในดนในสองอย่างอันใดย่อมรู้จักอันนั้นด้วย อันหนึ่งสัญญชน์ที่อันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นโดยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งสัญญาต์ที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วเสียอันหนึ่งความละสัญญาต์ที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วย อั่นเ่งความที่สั ญ, ญ์อันตนละเสร็จแล้วย่อมไม่เกิดขึ้นต่อไปได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยย่อมรู้จักกายด้วยย่อมรู้จักโพธัพระสิ่งที่พึงถูกต้องด้วยกายด้วยอั่นเ่งสัญญอดิ่มเกิดขึ้นอาศัยกายและโพ้ทัพระตามสองอันใดย่อมรู้จักอันนั้นด้วย หนึ่งสัญญาต์อันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยหนึ่งความละสัญญาตี่เกิดขึ้นเส้นได้แล้วด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยหนึ่งความละความที่สัญญาต์อันตนละเส้นได้แล้วย่อมไม่เกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยย่อมรู้จักใจด้วย ย่อมรู้จักอาธรรมารมคือสิ่งที่พึงรู้ด้วยใจด้วยอันหนึ่งสัญโญอดย่อไม่เกิดขึ้นอนาศัยใจและธรรมารมทั้งสองอันใดย่อมรู้จักอันนั้นอันหนึ่งความที่สัญญอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นโดยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วย อนหนึ่งความละสังโยติเกิดขึ้นได้แล้วด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอนหนึ่งสังโยต่อันตนละได้แล้วย่อมไม่เกิดขึ้นต่อไปได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยดังนี้พิสุย่อมพิจารณาหินธรรมในธรรมเป็นไปภายในย่อมพิจารณาหินธรรมในธรรมเป็นไปภายนอกกลาง ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นไปทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดแลอความคือความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในธรรมบ้างก็หรือสติว่าธรรมมีอยู่ เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าเก่เธอนั้นแต่เพียงสตว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสตว่าเป็นที่อาศัยระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่รพระสุทั้งหลายพระสุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือยตนะภายในไดยตนะภายนอกดังนี้แลอันนี้เป็นสํานวนข้อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงตรัสผมก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำมากล่าวไว้เพื่อว่าเป็นการป้องกัน <c oughs> ที่จะให้คนอื่นมีความเข้าใจว่าผมเอาพระธรรมนี้สร้างขึ้นมาเองโดยลำพังนีน่เมื่อกี้ว่ากันตามแบบพรมบาลีที่องค์สมเด็จตราสมมาสมพุทธเจ้าทรงแนะนำ ฟังแล้วปดหัวไหมถ้าฟังตามนี้ก็กลุมใจเวลาที่เราจะปฏิบัติเราจะทำยังไง <c oughs> เวลาที่เราปฏิบัติแเราจะรวบเอามาใช้เป็นจุดเดียวกันเรื่องนี้กละะ่าวว่าตาเห็นรูปใ้ตานั้นเป็นอายตนะภายในรูปนี่เป็นอายตนะภายนอกหูเป็นอายตนะภายใน หูฟังเสียงเสียงสัมผัสหูเสียงแยยตนะภายนอกจมูกแยยตนะภายในกลิ่นแยยตนะภายนอกจะม่คู่กันจมูกชนกลิ่นหูชนเสียงตาชนรูปแล้วก็ลิ้นชนรสกายชนการสัมผัสใจชนอารมณ์ เป็นนวาตาเห็นรูปรูปสวยติดในรูปลืมไปว่ารูปเนี่ยมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสื่อมไปนในท่ามกลางมีการสลายตัวบริสุทธิ์หลงไหลไฝ่ฝันในรูปก็ชื่อว่าเป็นการหลงทุกข์เพราะรูปกายทั้งหมดเป็นปัจจัยนำมาซึ่งความทุกข์ โอได้ยินเสียงเสียงเพราะชอบใจแตลว่าบางเอิญถ้าเสียงไม่เพราะก็สะดุ้งใจ <c oughs> ไม่ชอบใจเป็นอันว่าใช้ไม่ได้ในสองอย่างตายเห็นรูปรูปสวยจงมีความรู้สึกว่ารูปนี้ไม่มีสภาพทรงตัว เมื่อเกิดขึ้นมีความผ่องใสไม่ช้านานเท่าใดไม่ก็มีสภาพเสื่อมโซมแล้วก็สลายตัวไปในที่สุดพยายามหักห้ามอารมณ์ที่ฝืนต่อความเป็นจริง <c oughs> ที่เราติดในรรปติดในเสียงกันเนี่ยแล้วแล้วอารมณ์มันฝืนความเป็นจริง ความจริงพระพุทธเจ้าสอนให้ยอมรับนับถือกฎของความเป็นจริงเท่านั้นไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรลำบากเร็่งของธรรมดาธรรมดาถ้านในยอมรับนับถือกฎของธรรมดาในตอนท้ายที่เราบอกอยู่แล้วแต่ที่เรามานั่งลำบากมานั่งเป็นทุกข์กันอยู่นี่เพราะเราฝืกนกฎธรรมดาเมาในรูป คิดว่ารูปที่เราต้องการน่ะมันสวยสดงดงามแต่ก็ไม่ได้ดูรูปคนเงินก่อนรูปที่เกิดกันก่อนที่มันเก่าแล้วมันโทมลงไปความจริงรูปที่โทรมลงไปนั้นมันก็เป็นรูปที่ผ่องใสเป็นรูปที่เราพึงปรารถนาเหมือนกันบางที่าผ่องใสดีสิกว่ารูปที่เราปรารถนาในปัจจุบันอันนี้ก็ต้องไปดูประวัติของท่านพ ร, ริวัติ ว่าพระฤๅวัตท่านคิดยังไงจริงเข้าป่าที่ร็ให้พรบอกว่าขอเธอจงมีบุญอย่างกับคุณยายคนเจ้าสาวซึ่งมีอายุร้อยยี่สิบปีท่านถามว่าคนนี้อะไรคุณาาายายเขาบอกว่าใช่บอกไอ้นี่ฟัน ง, งอกขอขอโทษผมงอกฟันหลุดฟันลอหนังตกกระหลังโก ตัวมือนก็ม้จิ้มผีผีตายซากอย่างนี้นั่นแหละคนมีบุญถามว่าเจ้าสาวจะเป็นอย่างนี้ไหมต่อไปในวันหน้าเขาบอกเป็นจ่ะถ้ามีอายุถึงอย่างนี้ท่านเลยคิดถวายบังคมลาหนีบทเลยนี่เนื้อแท้จริงๆมันก็เหี่ยวมันก็ย่นลงไปไม่ว่าผู้ชายไม่ว่าผู้หญิงมันมีสภาวะเหมือนกันเมื่อตามมองรูปแล้วก็จิต คุมจริงๆมันคุมที่จิตผ้ขอพูดแบบนักปฏิบัติไม่ขอพูดปริยัตจริงๆไอ้ตะคุมคุมตาคุมหูคุมจมูกคุมลิ้นคุมใจอ่ไม่เต็มพงกายเนี่ยไม่ได้ไปคุมคุมจริงๆคุมที่จิตตัวเดียวมาหาสติแบบฐานเอาสติเข้าไปคุมจิต คอยเตือนจิตไว้ว่าเจ้าจงอย่าหลงรูปเพรารูปนี้จริงๆเนื้อแท้จริงๆมันไม่มีการทรงตัวเวลานี้เจ้าเห็นรูปที่กำลังพองใสก็มีความรักใคร่มีความปรารถนาจงเป็นดูรูปที่เกิดก่อนนี้ที่แมยุมากกว่านี้มีสภาวะเป็นยังไง แล้วมันเสืส่อมโทรมลงไปขนาดนั้นถามเขาว่าไอ้ไวขนาดเดียวขนาดนี้เนี่ยเขาผ่องใสหรด้ ว, ว่าเขาซุดโทรมแบบนี้บางทีเขาบอกเขาอย่าผ่องใสกว่า น, นี้อีกนี่เราก็เพิรู้ว่ารูปที่เราเห็นในปัจจุบันนี้มันก็มีสภาพมันเดียวกันเกิดขึ้นมาในเบื้องต้นตกเติมขึ้นมาผ่องใสเต็มที่แล้วก็โทมไปทีละน้อยดะน้อย ในดีสุดก็สลายตัวและรูปเต็มไปด้วยความสกปรกหันไปดูน้นปริกูระบับอาการสานิบสองหันไปพิจารณาธาตุสี่หันไปพิจารณานวศีเก้าที่ผ่านมาแล้วเห็นรูปเมื่อเข้าเมารัยต้องเอาจิตใจเข้าไปจับสภาวะสามรายการนั้นทันทีว่าเจ้ารูปนี้มันก็เป็นสภาพแบบนั้น <c oughs> แต่ได้ ว, ว่ามันไม่ตายอย่างเดียวมันมีความเสี่ยงไปในสุดเราไม่พึงปรารถนาในมันสําหรับเสียงก็ไมนการซึ่งมันไม่มีความหมายสําหรับเราเลยฟังแล้วมันก็ผ่านหูไปมันไม่ทําให้เราขอร่างกายเราอ้ ว, วนขึ้นแล้วมันผอมลง รูปร่างเราไม่สวยฟังเสียงเราสวยแรงเราไม่มีฟังเสียงแล้วมีแรงร่างกายเราผอมฟังเสียงแล้วอ้วนร่างกายอ้วนเกินไปฟังเสียงแล้วผอมพอดีมันก็ควรยอมรับแต่ยึดถือเป็นสําคัญแต่นี่ฟังเท่าไรไม่ก็แค่นั้นไอ้ส่วนที่จะเป็นไปมีความสุขหรือความทุกข์มันอยู่ที่เราจะพึงปฏิบัติ <c oughs> มันอยู่ที่อารมณ์ของใจจงเป็นผู้ไม่ติดอยู่ในเสียงถือว่าเสียงไม่มีความหมายความสำคัญเียเป็นความสุขหรือความทุกข์ออยู่ที่อารมณ์ของใจที่พิจารณาในธรรมที่ถูกต้องเท่านั้นมาเรื่องของกลิ่นติดกนนักเอกกลิ่นแบบนี้ไม่ดีกลิ่นแบบโน้นดีกลิ่นแบบโ น, น้นไม่ดีกลิ่นแบบ น, นั่ น, น, นดีรวมๆความแล้วมันไม่มีดีสักกลิ่น เพราะว่าไม่ประกลิ่นอะไรทั้งหมดสัมผัสประสาทหูแล้วมันก็หายไปเป็นอันว่ามันเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็เวียนตาสลายตัวไปในสุดเหมือนกับเสียงนั่นแหละแต่ว่ามันที่ขังอยู่ในจิตเพราะจิตมันจําแต่ความจริงเสียงมันไปแล้วกลิ่นมันไปแล้วแต่จิตมันจําจิตมันเกาะทั้งทั้งสิทธิภาวะอย่างนั้นมันไม่มีไอเสียงก็หายไปแล้วไอกลิ่นก็หายไปแล้วแต่จิตมันดึงใจเขาไว้ เมื่อพอใจเสียงอย่างนี้พอใจกึินอย่างนี้แล้วกลิ่นก็ดีเสียงก็ดีมันทําให้เราดีขึ้นแล้วมันทําให้เราเลวลงได้ไหมเราจะมีความสุขเราจะมีความทุกข์มันอยู่ที่กลิ่นที่เสียงหรือมันอยู่ที่จิตเนื้อแท้จริงๆมันต้องอยู่ที่จิตไว้กลิ่นก็ดีเสียงก็ดีไม่มีความหมายเมื่อฟังแล้วมันก็เว่ น, นาตาไปเลย หายไปเลยแล้วเราเวลามันไปแล้วเราไปดึงกลับมาได้ไหมมันก็ไม่ได้ไม่ได้ถ้าไปยุ่งกับมันทำไมไปสนใจกับเสียงไปสนใจกับกลิ่นทำไมสำหรับรถก็เหมือนกันเวลาจะกินเข้าไปเลือกรถอย่างนั้นเลือกรถอย่างนี้หน่นไอ้ดีนี่อย่างนี้มันถึงจะดีอย่างนี้ไม่ดีต้องกินอย่างนั้นมีอย่างนี้กินไม่ได้ทำไมกินอย่างโนน ของที่กินเข้าไปแล้วทั้งหมดเลือกแล้วแต่รสเลิศทั้งสิน้นเป็นรถที่เราพอใจแต่ถ้าว่ากินแล้วถ้าถ่ายกมากราบเขากินใหม่ได้ไหมใบของที่ถ่ายลงไปแล้วเนี่ยเอกไปแล้วบรเลื่องจาของที่มีรสเลิศที่เรากินเลือกกินมาอย่างดีแล้วแล้วเราจะกินใหม่ได้ไหม ทุกคนนี่เนังนึกว่าเอ๊ะนี่ร้อ ง, งตานี่ยบ้าให้กินขี้เนี่ยจะว่าบ้าว่าดีก็ช่างไทให้รถมันดีตกินมันใหม่ถึงจะไม่เปลืองเราก็กินไม่ได้ทำไมกินไม่ได้สกรปรกไอ้ของสกปรกนำไเป็นอะไรไปอาหารใช่ไหม ดันั้นก่อนจะกินควรอย่าสนใจในรถเพื่อเป็นการละสังโยชน์ต้องพิจารณาเป็นอาหาเ ร, รปฏิกูิสัญญามีบรรดาพระเนนทั้งหมดจงระวังให้ดีนะเวลาที่ใช้ข้าวทุกเวลาต้องพิจารณาหันเป็นอาหาเ ร, รปฏิโกูิสัญญา ว่าเราจะไม่กินเพื่อติดในรสเราจะไม่กินเพื่อติดในกลิน่นเราจะไม่กินเพื่อความอ่วนพีเราจะไม่กินเพื่อความผ่องไสเราจะไม่กินพออยังกิเลสให้เกิดขึ้นเราจะกินเพร่ออยังอัตภาพไปเป็นไปจงยาติดในรส ถ, ถ้าติดในรสเลไในรสไม่พิจารณาอย่างนี้และจงพิจารณาว่าอาหารนี่มาจากพื้นฐานจากการสกปรกเพราะว่า ธาตเพืชทั้งหมดสปกปรกสัตว์ทั้งหมดสปกปรกเมื่อปรุงเข้าแล้วก็มารวมกันกินขึ้าไปแล้วมันก็สปกปรกเมื่ออาหารเป็นที่เลี้ยงร่างกายสปกปรกร่างกายมันก็สปกปรกเพราะนั้นเราจะไม่ติดในรสอาหารเราจะไม่ติดในร่างกายของเราเราจะไม่ติดในร่างกายของบุนคคลอื่นเพราะมันเป็นของสปกปรกต้องพิจารณาอย่างนี้นะ ถ้าไม่พิจารณาก่อนลงนรกทุกองค์เวลาก่อนชนะหารโปรดทราบไปด้วยจะตายแล้วไปตกนรกจะมาโทษกันว่าไม่สอนเป็นอันว่ารถเราก็ไม่ติดเพราะว่ารถมันผ่านปลายลิ้นแบบโคกลางลิ้นแลว้วก็หายไปที่คนลิ้นมันก็ไม่รู้สิครบรถแต่รถมันทำให้เราหนุ่มขึ้นไหมถ้าเราแก่ มันก็ไม่สามารถจะสร้างคนแก่ให้เป็นคนหนุ่มได้แล้วมันก็ไม่สามารถจะสร้างคนที่มีโครคภัยไข้เจ็บงอมเงมให้มันหายจากโรคได้เป็นอันว่ารถไม่ได้เกิดประโยชน์สำหรับบุคคลผู้ติดเป็นเพียงว่ากินข้าไปพายานแตภาพเป็นไ ป, ไปยาสนใจในรถนี่เราห้ามอะไรห้ามลินเลยห้ามไม่ได้ก็ห้ามใจ รูปก็เหมือนกันไม่ใช่ห้ามตาเสียงก็เหมือนกันไม่ใช่ห้ามหูกลิ่นไม่ใช่สไม่ใช่ห้ามจมกูกลิ้นไม่ใช่ห้ามลถห้ามใจบอกใจว่าจงอย่าติดในสภาวะอันนั้นว่ามันมีสภาพไม่เที่ยงแล้วก็มันสักมีการสลายตัวไปในที่สุดสำหรับการสัมผัสระหว่างกายต่อกายก็เหมือนกัน ในกายต่อกายเนี่ยมันไม่รู้สึกมันมีสภาพเป็นหัวหลักหัวต่อเป็นผีแต่สิ่งที่รับสัมผัสจริงๆมีความรู้สึกก็คือใจบอกใจว่ากายที่เข้าไปสัมผัสกับกายไอ้กายตัวนี้มันเป็นอะไรหันเข้าไปดูปริกูณระบบในอาการสามิบสองมันสะอาดเรือสกปรกหันเข้าไปดูในธาตุสี่ หันก็ไปดูในวันนัสี9เก้า ว, ว่ากายที่กำลังสัมผัสอยู่เนี่ยมันน่ารักหรือมันสะอาดหรือมันสกป ร, รกเราจะเห็นว่ามันเหมือนกับถุงอุจาระเคลื่อนที่หรือเหมือนกับซาสกเคลื่อนที่นีม่มาธรรมารมที่เกิดขึ้นกับใจก็จงหลีกธรรมารมอย่างอื่นเสีย จับไว้เดียววตภาพร่างกายของคนคนดีของสัตว์คนดีของเราคนดีของเขาคนดีมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราวัตถุธาตุทั้งหมดในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราทั้งหมดเรารับทราบแล้วว่ามันไม่ใช่เราและไม่ของเราเราจะไม่ยึดถือมันต่อไป อันนี้เป็นสำหรับในยตนาใ น, านก็ดีในปัญญไขก็ดีเป็นวิปัสนาญาณทั้งหมดเป็นอันว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเป็นสมัยของตัณหาที่สร้างขึ้นเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความเสื่อมไปในทำกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดมันเป็นปัจจัยนำมาเสื่งความทุกข์ถ้าเราจะยึดถือมัน ถ้าเราเรื่องมันสิ้นได้เมื่อไรเราจะมีขจิตเป็นสุขเมื่อ น, นั้นเว้นนั้นว่าองค์สมเด็จพระพักรวันบรมศาสดาให้พิจารณาหาความจริงจากรูปสิ่งที่ตาเห็นจากเสียงที่เข้ามาสัมผัสหูจากกลิ่นที่มาสัมผัสจมูกจากรถที่เข้ามาสัมผัสลินจากกายที่มาสัมผัสกาย แล้วก็จากอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจที่ศูนย์ให้การปฏิบัติจริงๆก็คือระวังที่ใจตัวเดียวถ้าใจยอมรับนับถือก็ถึงความเป็นจริงรู้ว่ามันเป็นอะไรเส็จแล้วแล้วมายึดถือในมันการเจริญมหาสติปัฏฐานไม่ใช่ไปเจาะเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งต้องใช้อารมณ์ทั่วทั่วไป เมื่อใช้ในเวลาเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอานาปานุสติกรรมฐานต้องทรงเป็นปกติในเวลาปฏิบัติขบัญญัติแทนพุทธบริษัทก็ไม่ได้บังคับว่าต้องนั่งหรือต้องนอนต้องยืนต้องเดินท่านจะนั่งท่านไหนจะนอนท่านไหนจะยืนท่านไหนจะเดินจงกรมท่านไหนก็ทําได้ตามปกติ ถ้าจิตมันฟุ้งซ่านก็น้อมจิตไปจับอนาปานสติกรรมธานจิตมันรักสวยรักงามก็ไปคว้าเอาปฏิกูลบัพท่าตุลบัพนวสีมาใช้ถ้าจิตมันเมาในเวทนาใดๆก็ไปดูในเวทนานุวสนาถ้าเป็นการควบคุมกําลังใจให้ทรงตัวจริงๆต้องจับอยู่ที่จิตตานุวสนาเป็นปกติ อายุดศูนย์จิตตานุภัณนาเป็นปกติและอารมณ์เลวมันจะเกิดขึ้นไม่ได้กำลังใจขบันดาแต่พุทธบริษัทนันไลก็จะเข้าจุดสูงสุดคือพระนิพพานตามที่พระเจ้าต้องการสำหรับการแนะนำในพระกรรมฐานในมหาอธิปทานนสูตรบทว่ายาตนะสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงหนึ่งนี้ต่อทีนี้ไปบรดาท่านันล พยายามทรงกายตามอัิยาสัยที่ท่านอยา่าเพียงทรงนั่งนอนยืนเดินินได้ตามอัิยาสัยแต่ทรงอารมใจไว้ในอัต่นับพยายามทำลายสังโยชน์ทั้งสิบราการตามความมุ่งหมายที่องค์สมเด็จพระกิตตมานทรงแนะนำจึงควรจะได้เวลาสมควรของท่านสวัสดี